เจ้าปัญหาเจ้าก่ขอความยุ่งยากเจ้าตัวก่อเหตุอยู่ไม่หยุดไม่ยั้งทั้งกัางวันกําคืนดูดโด น, น, นเมื่อนงเว้นเะจะหลับสนิทไปทั้งนั้นคืออะไรถ้าไม่ชัดใจดวงเดียวนี้ตอนนั้นโลกใจะใหญ่มากน้อย เป็นเรื่องของใจไปให้ความหมายมีใจโดนเดียวเท่านั้นเป็นผู้ไปให้ความหมายในสิ่งต่างๆว่าโลกกว้างโลกแคบสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ไปให้ความหมายพอแล้วก็เอาความหมายนั้นมายุ่งคกรนตัวเองเนี่ยจึงเรียกว่าเจ้าปัญหาอยู่ที่ใจ กานที่จะแก้ปัญหาภายในใจขงตนให้สิ้นสุดไปได้นี่คือเป็นสิ่งที่ยากถึงกับบางคนถอยหลังเลยมันม่ายากความถอยหลังไปโดยที่เห็นว่ายากนั้นก็คงจะเข้าใจว่ า, าหาทีง่ายทีง่ายก็เป็นเรื่องความชอบใจของเจ้าของเสีย ซึ่งไม่ต้องตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่น่าอีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่ปร้นปัาทนาเข้าในหัวใจอีกนะผู้เป็นศาสดาที่นำธรรมะมาสอนโลกเพื่อแก้ปัญหาภายใน จ, ใจิตใจยิ่งต้องเป็นผู้เฉเดียวฉลาด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 การทุ่มเทกาลังเพื่อความดีมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในคําว่าพุทธังสนังกะชามิจึงเป็นสิ่งที่ถึงใจอย่างยิ่งทั้งด้านปฏิปทาคือการดําเนินของพระองค์ไม่มีที่ตรงไหนว่าเป็นที่หน้าตาหนิติเตียนว่าพระองค์ทรงท้อถอยอ่อนกำลังมีความเกียดค้านอ่อนแออย่างนี้ไม่มี ถึงการเสียสละก็ไม่มีใครจะเท่าในแล้วเรียมเท่าได้แล้วในโลกนี้เสียสละถ้าจนทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดในพระกายนี่ก็ยังต้องเสียสละใครมาต้องการอะไรให้ทางนั้นสิ่ง น, นี้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ที่คนทั้งหลายจะทํากันได้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 มื อ, อย่งคนโงน่คนฉลาดจะหลอกลวงต้มถึงวิธีนัวิธีใดไ ด, ได้ทั้งนั้นเพราะไม่ทราบคนมุบายของเขาคนฉลาดต้มถึงคนโง่ถึงต้มในงานการทาสอนคนโงน่สอ น, นง่ายคนฉลาด ม, มีบายกว่านี่แล้วเทียบ ก, กับอะไ ร, ระเทียบ ก, กับกิเลส ท, ที่มีความแหลมคมมีความเฉลียวฉลาดกว่าเรา คิดในแย่เแย่ใดก็มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นหากบัญญัตินำธรรมะเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเราจะไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรเลยแต่กลายมาเป็นเราจะทั้งหมดกระดิดตัวออกอาการใดก็ร้วนแรกตั้งแต่เป็นเรื่องความสั่งงานสั่งการของกิเลสไปเสียทิ้งโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเขาสั่งงานเรานี่การที่จะทราบว่าสิ่งนี้เป็นก้าสิทธ มีใครบ้างทราบมาก่อนมันไม่มีใครก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงสร้างว่าสิ่ง น, นี้เป็นฆาสึกแล้วเป็นความจริงตามที่ทรงเข้าใจด้วยเมื่อแก้สิ่งที่เป็นฆาสึกอยู่ภายในพระไทยทั้งหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นผู้หมดโทษหมดภัยไม่มีฆาสึกใ ด, ดๆที่แฝงอยู่ในพระไทยของพระองค์เลยทนีป้ประกาศพระองค์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วและพ้นจาก เรื่องผูกมัดทั้งหลายฉะนั้นนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งด้านปฏิบัติและผลที่พึงได้รับนั้นออกมาประกาศสอนโลกบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟัง ม, มีผู้ใดที่จะมีความเฉลาดแหลมคมถึงกับรู้สิ่งที่เป็นค่าศึกอันลึกลับอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งถือว่าเป็นตนมาตีกับอ่กันแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าเท่นั้น แม้ท่านนำอุบาสมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะล้วมตัวเข้าไปอยู่ในเงื้อมือของกิ่เล่ซึ่งเคยเชื่อมสอนออกมาน่ะเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็เอาไปเป็นบมอยตางบ้านกลางเรือนมันแล้วเถ้าเผลอจากธรรมที่เล่ห์ก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิ่เล่หก็จดจ้องมองดูอยู่เช่นนั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกัน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 กิเลศสอนลราเชื่อง่ายนี่เพราะอะไรเพราะในใจของเรามีแต่กิเลศทั้งนั้นทําแทะเข้าไม่ได้นูน่นตอนที่เราพอทราบกันได้บ้างแล้วถ้าถึงจะทราบได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายทําฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายกิเลศนี่เมื่อทราบว่าต่างอันเป็นต่างฝ่ายกันแล้วมันก็มีการต่อสู้กันมีการแยกแยะกัน ก็ไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเสถ่ายเดีวเรายังมีอยู่อีกอนนันหนึ่งฝ่ายสติปัญญาก็เป็นคร่องช่วยอีกด้านฝ่ายกิเลส ก, ก็เป็นเครื่องย่ำยีอีกด้านอาที่มีแยกจินไชยชนะกันใครมีสติปัญญามีศรัทธาความเพียรมีความมุ่สานพยายามม า, มากคนนั้นก่อนจะคว้าเอาไชายชนะมาได้นําใจที่เบื่อถึกนั้นมาครอง ถ้าใครหลงกลมุบาของกิเลสก็ต้องจมไปตลอดกลับตลอดกันไม่มีวันที่จะอิ่มพอในการจมไปด้วยอำนาจของกิเลสนั้นขณะผู้มุง่งตอบผลอันเป็นที่พอใจตนแล้วเรื่องความยากความลำบากจึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคก้าวเดินไปตรงนั้นเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตาย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 อันตึงหวังของตนเท่านั้นไม่มิ้นไม่มีอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เราก็ทราบแล้วว่าความกลัวประเภทนี้เป็นภัยต่อเราเนี่ยเมื่อทราบว่าความกลัวนี้เป็นภัยต่อเราความกล้หาญเป็นคุณก็เข้าใกล้คิดติดแน่กับความกล้หาญสู้กับมันซึ่งมีอยู่ภายในใจตรงเดียวกันค่อยผ่านค้นกระไดโดยๆๆลำหนักลนักนะพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พยายาม ผิดพยายามค้นด้วยสกสติปัญญาของพระองค์หลายด้านหลายทางกว่าจะมาถูกทางได้คือนาปานาติส่งกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วส่งยิดย้อนหลังถึงคราวที่เปรียนาขวานมมนี่ทรงบําเพ็ญนาปานาตินั้นนำการบําเพ็ญข้าวรงคพระยานั้นมาปฏิบัติในปัจจุบัน ขณะที่ทรงทำภาวนาอยู่ต้ล้มโพเป็นได้หลักนั้นเป็นที่ยุดอานามปาาติละเอียดลงเพียงไหลจิตใจก็จะมีความละเอียดมีความป่องใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นได้ในคืนวันนั้นพระกายก็จะพูดว่าป่องใสก็ป่องใสพระกายก็อ่อนเกียวเป็นที่เพราะ อรปัจจัาหารมาทั้งสี่ถเก้าวันมาสวยในวันนั้นรากายทุกส่วนก็ต้องเบาอยู่เหมาะสมที่สุดเพราะไม่ทับถมจิตใจและทรงบาเพ็ญถูกทางกำหนดอานาภาณสติหือลมหายใจเข้าออกโดยระทั่งมีความละเอียดลงไปโดยลำหนักลำหนักจิตที่ควรแจกปัญญา เพาอำนาจของความสงบนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนก็ทรงค้นปฏิจจสมุบาทอวิชชาปฏิยาสร้างคาราสร้างคาราปฏิยาวิญญาณแยกแยกกันไปที่ท่านอธิบายอวิชชาปฏิยาสร้างคารานี้หมายถึงท่านผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเรื่องอวิชชาแล้วท่านพูดเรื่องราวของอวิชชาหากว่าเราจะไปเยียบเรียงเรื่องอวิชชาปฏิยาสร้างคาราเรียบอย่างจนกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นเรื่องอวิชชาเลย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 มันหนุนไปจากไหนเนี่ยเราจะไป น, นับกิ่งก้านสาขา ด, ดอกใบของต้นไม้ต้นหนึ่งอะนับวันย่างค่ามันก็ไม่ได้เพียงห้ากิ่งละแล้วลต้นไม้ตัวหนึ่งมีกี่กิ่งกี่ขแนงแล้วมีกี่กี่ใบกิ่งแยะกิ่งน้อยแตกแยกกันไปไม่ทราบว่ากี่แยะกี่น้อยกีข่ขะแนงแล้วนับวันย่างค่ามันก็ได้เพียงกิ่งเดียวเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ามาเสียวันหลังก็นับใหม่หลงกันอยู่เรื่อย นับกิ่นไม้ต้นเดียวนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้เหลื่อมได้เราอะไรนะนี่แหละที่เราไปเรียงอวิชชาเป็นแบบนี้เองผู้ที่จะเข้าใจเอาเหตุเอาผลจากต้นไม้เราต้องการต้นไม้ต้นนี้ต้องการมาทําอะไรถ้าต้องการจะต้นไม้ต้นนี้มาทําบ้านทําเดือนก็โค่นลงไปแล้วจะถอนออกหมดทั้งรากแล้วก็ขุดค้น รักแกว์รากฟอยตัดเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งไม่มีรากอะไรเหลือแล้วต้นไม้ตันนั้นจะทนได้อย่างไงมันก็ล้มพเนจรนาาลงเท่านั้นเองแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมีจำนวนมั่งน้อยเท่าไรมันก็ยุ่ยอดและตายไปด้วยกันหมดเมื่อลําต้นมันตายแล้วไม่มีที่สืบต่อนี่แหละที่ว่าอวิชาปัญญาสร้างขาลาอวิชาปัญญาก็หมายถึงต้นไม้นั่นเองที่เต็มไปด้วยรากแกว์รากฟอย กิ่งกาง้านแลขาแก็แตกออกไปอวิชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญวิญญาณปัญญาปัญญลื่อยไปไม่มีที่สุดนี่คือมีรากแต่รากฟอมีต้นมีลำแล้วก็มีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบคุณง่ายๆว่าอย่างนั้นแหละมันอาศัยอาหารเป็นเครื่องหมอเยื่นไปจากลำต้นส่งไปทุกกิ่งทุกขแขนงมันก็ท่งตัวมันอยู่ได้เนี่ยที่เวลาทำลายก็ทําลายอย่างที่ว่านี้พ้าต้นมันขาดจากความสุบ ต, ต่อแล้วมันจะ สืบต่อไปได้อย่างไงมันตายหมดกถึงขั้ขงสขาขารออกมาแล้วตายหมดมีอวิชชาวัตถเววัชเชยสุยริยคานาเรื่อยโมวิชาดับสังคารก็ดับอั น, นั้นก็ดับก็ดับเรื่อย เ, ยเยนี่ท่านพูดถึงว่าอาวิชาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นกิเลสอันสําคัญนั้นดับสังขารซึ่งเป็นอวิชาเป็นเครื่องหนุนให้เป็นกิเลสมันก็ดับมิญญาณที่เป็น พาให้เป็นกิเลสมันก็ดับแล้วอะไรๆที่พาให้เป็นกิเลสมันดับไปตามๆกันหมดเพราะนี้เป็นเครื่องมือของวิชาทั้งนั้นไม่ใช่อวิชาแต่เป็นเครื่องมือของมันออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยทางกายนี้แต่าทางเดินของอวิชาทั้งคาลามยานั ญ, ญานังเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องหนุนของวิชาอวิชาบังคับบัญชาให้ทําให้คิดให้ตรุงให้คาดให้หมายให้สําคัญให้สิ่งต่างๆนั่นมันออกมาจากอวิชาเมื่อค้นก็ไปถึงตัววิชาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีปัญหาอะไร วิชาดาบสังขารจะมีมาาไปอย่างไรสังขารนอกจากสังขารล้วนๆหังสังขารปา ร, รหารันไม่มีอะไรเป็นเครื่อบงบังคับบัญชาสังขารเราทั้งหลายที่มีวิชานี่ล้วนแย่ตั้งแต่สังขารเป็นกิเลสเน่ยวิญญาณก็เป็นกิเลสเพราะอาวิชาพาให้เป็นจะไม่เป็นได้อย่างไงก็ลูกน้องของวิชาตรงฆ่ากันลงตรงนี้ตัดกันลงตรงนี้การพิจารณาวิชานั่ดังที่เคยอธิบายมาแล้วหลักแก่หลักขอ้อยเป็นไงว่ากันมาเรื่อยๆมันไปติดในอะไร ไปช้ำขันมันหมายอะไรคลี่คาดูทั้งสิ่งนั้นแล้วก็ย้อนมาดูตัวผู้ไปสําคันม้นหมายไปคิดไปปรุงไปแต่งไปว่าดีว่าชั่วย้อนเข้ามาจกนกระทั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวที่โดนขวนขวายเป็นตัวประยุทธ์ไปถือเพราะความไม่เข้าใจพี่คาดูมันเข้าใจทั้งข้างนอกให้เข้าใจทั้งข้าใงในมันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขาวิชาทั้งแก่น น, นะอุบายวิธีต่างๆกรรมาฐานตั้งแต่อนาปานาติไปเป็นต้นโดยลําดับนี่เป็นขั้น เรื่องเริ่มแรกคือจะระงับดับอวิชชาคือกิเลสทั้งหลายที่มีภายในาจิตใจของวนมากน้อยทั้งนั้นกานปฏิบัติเราจะไปค่าดไปหมายอย่างนั้นผิดเอาจุดเฉพาะเฉพาะมันหากรเตือนถึงกันหมดการพิจารณาชำนิชำนานในทางใดพิจารณาตามควา ม, มตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมื่อถนัด ทำถูกต้องตามปริยาศายด้วยถูกต้องตามหลักทําด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุงพ่งเฟอ้อเอเอมไปพุ่งเฟ้อเอื้มไปเพียงไรก็าตามเมื่อได้รับทำที่ถูกต้องและมีการบังคับบัญชากันไว้ด้วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่กำเริสโบสานต่อไปนี่นี่เราก็เห็นผมแล้วเหวี่ยวิชาสงบตัวบิวายาสติปัญญาจะพิจารณาเพือพิจารุดู สิ่งที่จิตใจมีความค่าความหมายมีความยึดความถืออันดับแรกก็คือสักรนการของเราเนี่ยปกหลูก ป, ปกเวทนาสัญญาสังขารมิญา น, นี้อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงคือเครื่องสัมผัสต่างๆเมื่อมันมีกิ่งมีกา้านเมื่อมันมีรา้าแก้วรับปลอยมีตัวสําคัญอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็ระบาดไปหมดนั่นแหละถ้าจะให้พิจรารณาการพิจารณาภายนอกก็าตามพิจารณาภายในยก็าตามถ้าพิจารณาเพื่อแก้ความสงสัย เป็นมรรคแรกทางนั้นคือทางดําเนินเพื่อถอดถอนกิเลสเช่นสั่นสอนให้ไปอยู่ป่าช้าแต่ยังไงถึงให้ไปอยู่ปัาชาไปเที่ยวปา่าช้าไปเยี่ยมปา่าช้าพอเรามาเห็นป่าช้าภายในตัวของเราต้องไปดูที่นั่นก่อนเห็นที่นั่นแล้วก็มาเทียบเคียงกับเรื่องของเราพอเราเข้าใจเรื่องป่าช้านี้แล้วเรื่องป่าช้าภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองแล้วก็ามาดูป่าช้าภายในเมื่อเห็น ชาตเข้าใจชา่นในป่าชาติภายในคือสร้างการขงตนเองที่เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้นล้มันก็ปล่อยมันอีกเนี่ยมันจะไปไหนเมื่อมันรู้แล้วมันก็ปล่อยทั้งนั้นอ่ะมันไม่รู้มันจึงยึดถึงถือเราจะบังคับให้มันถอนเท่าไหร่มันก็ถอนไม่ได้เมื่อมันยังไม่เข้าใจฉะนั้นจึงต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิณพิจรณาจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยไปได้โดยลำหนักลำหนักการปฏิบัติทำท่านทําอย่างนั้น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 นิสัยคนนั้นเป็นนั้นนิสัยคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเราจะให้เหมือนกันไปไม่ได้หนี้ใจของเราภาวนาเป็นอย่างนี้นิสัยท่านผู้นั้นภาวนาเป็นอย่างนั้นก็ให้ทราบไม่เท่านั้นเราอย่าไปยึดไปถือเอามาเป็นสัญญาอารมณ์แล้วบังคับจิตให้เป็นเช่านั้นหากไม่เป็นไปตามความต้องการแล้วจะเกิดความดับร้อนขึ้นมาเลยกลายเป็นเรื่องสั่งสมกิเลขึ้นมาอีกแทนที่จะแก้พิเลหรือทํำพิเลให้ระงับดับไปเป็นความผิดไป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 ถ้าแก้ปัญหาไมาได้ภ า, า, ายในนี้แล้วภ า, ายในก็เป็นควันเป็นไฟไปหมดเพราะผู้นี้พาให้เป็นไฟใจพาให้เป็นไฟใจจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากทัาหนักสัดวและบุคคลได้หนึ่งหนึ่งการปฏิบัติศาสนาจริงต้องมุ่งลงที่ใจให้ดูอาการของจิตในวันหนึ่งหนึ่งมันมีความผิดเพี้ยงเปี่ยนแปลงไปในทางในบ้างดูอยู่ตรงนี้มันจะระบายทางกายทางวาจานั่นมันนอกไปแล้วมันเคลื่อนไหวเป็นจากรยานนี่แหละเป็นผู้สั่งงานค่อยดูความเคลื่อนไหว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 ให้ดูความเศร้าหมองมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แก้สาเหตุที่มันเกิดความเศร้าหมองความสร้าหมองนี่มันกำลังนัดไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนให้มันมีความสร้าหมองมากขึ้นเถ้ามันเศร้าหมองก็เอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นเป้าหมายการพิจารณาอมันจะเศร้าหมองไปไหนเราจะดูความเศร้าหมองนี้ด้วยความมีสติถือว่าความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นสถานที่ทำงานกําหนดดูไม่ต้อง <im itation> ดีใจเสียใจไม่ต้องตั้งความอยากให้มันดับมันดับเพรมันไปเองด้วยเหตุด้วยผลของมันมันไมได่ดับด้วยความอยากให้ดับนี่หลักธรรมเป็นอย่างนั้นให้ดูเวลามันผ่องสายขึ้นมาก็ให้ทราบมันมีคือความผ่องสใยนี่เป็นอาการอันหนึ่งของจิตที่สแสดงขึ้นมาจากการชำระผลที่เกิดขึ้นมาจากการชำระกรันธรรมะระวังจิตใจของตนผลจึงเกิดขึ้นมาเป็นความป่องสใยความมองสายกับความท้าสุขสบายมันแยกกันไม่ออก เมื่อปรากฏเป็นความปอกใสขึ้นมาใจก็มีความสบายเมื่อปรากฏเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาใจก็รู้สึกจะเป็นทุกข์ให้เราทราบใช่เหตุไว้ไหวทั้งสองเงื่อนสัจธรรมเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละดีก็เป็นสัจธรรมชั่วก็เป็นสัจธรรมถ้าพิจารณาเป็นสัจธรรมหากเราไม่พิจารณาเป็นสัจธรรมอ้าละชั่วก็มาติดดีอีกนี่แต่ในการดําเนินเราต้องถือความดีถือความสุขเป็นที่ยึดเช่นเดียวกับบนันไดไปเรื่อยๆ เ, เราไม่ต้องตําหนิ ทางดีเลื่อนตายเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปอย่าปล่อยบันไดไม่ถึงสถานที่ควรปล่อยอย่าปล่อยพยายามจับให้มั่นความดีจะมีมากน้อยอย่างไรความป่องใสความสงบจะมีมากน้อยอย่างไรอา้าวสังสมให้มีนี่แหละคือหลักของใจเป็นเครื่องยึดเมื่อถึงการสุดท้ายแล้วเรื่องความจริงเราจะได้ทราบทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันนั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่จะรู้กันเองปลอดวางกันเองโดยเราไม่ต้องบงังคับให้ปล่อยเมื่อถึงการปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้น ถึงมาถึงเวลาที่ยังไม่ปล่อยไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยเราจะปล่อยไม่ได้ต้องอาศัยความดีเป็นหลักยึดจิตมีความผ่องสายสมีความสงบเย็นนั่นแหละเป็นหลักที่ทุงใจเป็นทางที่ถูกเป็นผลอันดีอยุดนี้เป็นหลักไว้หากเป็นหากตายเรามีนนี้อยู่แล้วเราไม่ต้อง ต, ตกใจคืออันนั้นแหละเป็นเครื่องสนัดถึงจิตให้ไปด้วยความผาสุกเย็นใจ อุบาของปัญญาถือสิ่งที่มาสัมผัสถือสิ่งที่มาปรากฏเป็นเครื่องพิจารณญาเช่นความเศร้าหมองกันต้นความเศร้าหมองเป็นสิิงราไม่ต้องการแต่ทํำไมมันเกิดขึ้นมาได้ไงมันเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุของมันที่ควรให้เกิดได้โดยที่เราเผลอเรารู้สึกว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมาถึงทราบว่านี่มันมีสาเหตุให้เกิดแล้ว เพราะนั้นเราจรงไม่ต้องไปเสียใจต่อมามันมีสาเหตุเราก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะแก้มันสาเหตุของเราคือปัญญานะถ้าเราไม่นําสาเหตุคือปัญญาไปแก้มันแม้เราจะไม่อยากให้มันเกิดเพียงไรก็ตามหรืออยากให้ดับเพียงไรก็ตามมันก็ไม่ดับดีไม่ดียังยิ่งจะกําเริบขึ้นไปอีกเพราะมันมีสาเหตุเป็นเครื่องหมุนกันอยู่เพราะฉะนั้มันดับไปได้อย่ไหนเมื่อสาเหตุมือถ้ามันเป็นไปอยู่มันต้องเป็นไปแล้วกาเริบขึ้นเรื่อยๆนะที่จะให้ดับสาเหตุนี้คืออะไรก็คือปัญญา อ้ามันเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้คือความสมองมันเป็นขึ้นมาได้เหพราะเหตุอะไรเอาถ้าว่าเราค้นหาต้นเหตุมันไม่ได้เราจะดูผลของมันคือความสมองนี้มันจะเป็นไปแค่ไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเพราะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้ที่ขณะก่อนหน้านี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของกิรังถาวรมันมาปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเราเลยนะนี้ ปัญญาแทรกลงไปกำหนดลงไปพิจารณาลงไปถือนั้นเป็นเป้าหมายถือนั้นเป็นการเป็นสิ่งที่พิจารณาหรือเป็นเป็นงานที่ทำไม่นานนั้นก็สลายตัวลงไปนี่พอนั้นสลายตัวลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งนึกความเบาใจปรากฏขึ้นมาแทนที่เพราะอะไรถึงสลายก็เพราะปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและจดจ้องมองหนุยทีนั้นอาการท้องผิดที่จะไป ส, ส่งเสริมให้ความชอมองเกิดขึ้นมันก็มีทางเลี่รอดออกไปคิดไปสัมผัสขึ้นมาได้นะความ ความเศร้หมองนี่มันก็สลายตัวมันลงไปนี่ความเศร้าหมองก็ดีความป่องใสก็ดีมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตแต่ความเศร้าหมองนั้นเป็นเป็นอาการที่ทําจิตให้ชอกช้ำให้ขุนมัวให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ของดีจึงต้องระมัดระวังกันให้มากตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้จุดตัวก็อย่าไปเสียใจให้ทราบตามสาเหตุมันนั่งที่กล่าวมานี้จึงชื่อว่าเราเป็นนักพิจารณาดี้ก็พิจารณาเชื่กับพิจารณาปัญญาใช้ได้ใช้ได้หมด ทั้งทางดีทางชั่วพิปัญญาพิสูจได้หมดตามไปได้หมดเพราะปัญญาเป็นเครื่องใช้ิ่ง ท, ที่เราไม่ต้องการเมื่อปัญญาแทรกเข้าไปของนั้นมันก็ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้าดังที่บอกความไม่สบายใจเป็นต้นกําหนดดูความไม่สบายมันเกินมาจากไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่ของความไม่สบายนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงไม่มีสาเหตุมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่งไรมันต้องมันต้องมีสาเหตุ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 ทำงาจิตใจอัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนสิ่งที่เป็นภัยนั้นออกและกิ่ก็ค่อยเด่นขึ้นมาโดยลำดับลำดับนักภาวนาต้องตั้งหน้าพิจารณาให้รู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่าไปหวังผลกับสิ่งนั้นๆโดยที่ลืมทำงาน มันจะตั้งอยู่ทลายกัให้มันตั้งเราจะไปตัดถน า, าแล้วไปเอาอะไรไแทรกมันอีกให้ดูมันดูมันใจสงบของมันเองเพราะใจมีต้องการสงบอยู่แล้วเป็นแต่แค่ว่ามีสิ่งรบกวนมาให้สงบมันตึงหาความสงบไม่ได้ท่องเที่ยวอยู่ภายในขันนี่ถ้าว่าความไม่สะดวกปรากฏขึ้นภายในใจอยากคิดออกไปข้างนอกอยาไป หลังน้นหลังนี้มันจะเป็นเครื่องหล่อไปอีกให้เป็นการเสริมความไม่สบายใจนี้ขึ้นอีกดูอยู่ภายในขันรูปคือกายของเราทุกส่วนท่านเรียกว่ารูปมันก็เป็นรูปตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยจะใหามันเป็นอะไรอีกเนี่ยเพตนาความสุขความทุกข์ความไม่เฉยมันก็เกิดกระดับของมันสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆสับเปลี่ยนบนเบียงกันไปกันมาอย่างนี้ตั้งแต่วันเราเกิดมาในทาง ร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็เช่นเดียวกันคือเวทนาได้มีได้ทั้งทางกิตและทางกายสัญญาความจํา่าจําไปอยู่อย่างนั้นน่ะจำอยู่ตลอดเวลาจําได้หายไปจําได้หายไปเอาะะ hai, สญญญาระแก่สาร้นก็มันได้ทั้งขานยินยันมันลักษณะอาการของมันมีความเกิดความดับอยู่อย่างนั้นอาจจะไปถืออะไรกับสิบง่งเหลนี้แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิจารณาเป็นหินล้าตัญญาใจขอเราก็มีความโปร่งใส เข้าใจไม่ใช่ขันใจเป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดกระตอนเมื่อจิตมันปล่อยขันแล้วทุกขันเลยเราจะบังคับให้เป็นอันเดียวกันได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากกันอย่างปรจากใจอย่างนี้เราจะไปว่าอันเดียวกันได้ย่งไรนี่เป็นสิ่งที่เราพูดกันหน้าอย่างเป็นปากสําหรับผู้รู้แล้วกัน น้งใ่ตอนันไม่เรียนไห่นไม